ช่งนี้ออกพรรษาแล้วรับประทิดแล้วบรรยากาศของวัดเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมากเลยพวกโยมมาทําวัดวันนี้จะสังเกตครัพระเหลือแถวเดียวซึ่งก็ไม่เคยเป็นมานานแล้วช่วงนี้พระเดินทางไปที่อื่นกันหมดไปที่ไหนก็มีแต่คนคุยกันว่าจะไปไหนตอนนี้อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงฟา้าหนาวก็เริ่มมาเยือนทําให้อนาวานึกถึงอดีตสมัยที่อามาบุตรใหม่อาณาบัวบวชช่วงเดือนธันวา ช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนาวสุกโตสมัยก่อนอากาศหนาวมากอุณหภูมิเนี่เคยลงมาสิบองศาสิบองศาคนที่มาอยู่ที่นี่จะต้องจะต้องถูกความหนาวนทดสอบความเข้มแข็งจิตใจแต่ช่วงหน้าหนาวนหลวงพ่อเขียนท่านบอกว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการภาวนาเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเป็นช่วงที่ยุงบินไม่ไหวไม่ค่อยมียุงแมลงเล็กๆที่รบกวนเราเนี่ย ก็จะไม่ค่อยมีมดมดก็เข้าไปแอบหมดไม่มีจะมีสัตว์รบกวนน้อยหมอญการภาวนาสมัยอาตมาบวชใหม่บวชวันแรกเนี่ยก็ถูกทิ้งเลยเพราะว่าวัดไม่มีไม่มีพระเลยอาตมาเป็นเป็นพระรูปเดียวเพราะป่าสุวรรณโตตอนนั้นบวชวันแรกก็โดนนําทําวัดตอนเช้าที่สารานาก็ได้ให้พรโยมปฏิสังขารโยโชคดีที่มาเคยบวชมาก่อนไง เมื่อก่อนอามาเป็นภาวัชวนมาทานบวชแล้วก็ศึกยก็ทำให้แบบอยู่คนเดียวได้โดยที่ว่าบวชปุ๊บช่วยตัวเองได้เลยผมจีวรหรือสวดมวนต์เป็นคือบวชปุ๊บใช้งานได้ปับ๊บช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทางวัดเราเนี่ยมีการเดินธรรมญาตาธรรมญาตาสมัยก่อนยังไม่ได้กําหนดวันที่ชัดเจนแล้วแต่เหตุการณ์บางทีอาจารย์ไปสารก็ไปจัดเรือพุทธศิกราช่วงที่เรามาบวชอาาบวชวันที่สิธันวาก็ยังเดินธรรมญาตาอยู่เลยมีตอนเนี้ย มีกำหนดชัดเจนว่าหนึ่งถึงแเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์ไปสารต้องเดินทางมาญี่ปุ่นท่านก็นเลื่อนมาหรือพฤศจิกาผมปรากฏว่าคณะธรรมยุตตาเนี่ยโดนฝนถล่มเลเทะเลยเพราะมีดีแพชั่นเข้าก็เลยเปียกกันทวนหน้าตอนหลังก็เลยเข็ดเพราคนที่ไปลบาบากเจอทั้งหนาวทั้งฝนจึงเลื่อนและมีกำหนดที่ชัดเจนสมัยที่มาบวชใหม่นะสุกโตเนี่ยจะไม่เป็นแบบนี้หรอกพระก็น้อยแม่ชีก็น้อยโลหัวเล็กๆ หอไต้นี่ก็หลังเล็กนะตอนหลังต่อเติมสาระไก่ก็หลังเก่าอนาวามาสุกัตโตครั้งแรกเนี่ยมาเมื่อปีปลายปีศหนึ่งตอนนั้นยังทําวัดที่สาระไก่อยู่เลยคณะเราไปนอนหอไต่เก่าอะ่ะเดี๋ยวนี้เป็นกุฎหัวแ8ดแล้วบรรยากาศสุกัตโตสมัยก่อนน่ากลัวไม่มีถนนสราะน้ำก็ไม่มีถนนนะสระน้าเป็นดงสะพานก็ผูกอ้วงพังสภาเล็กๆขามขามสะ ขุจช ajar พิาพสารที่สาราน้ําเนี่ยเมื่อก่อนใครเข้าไปต้องแวกอะแวกดงอะเพราะว่ามีเสาวงเถาวันป่าคืดไปหมดอะไม่ค่อยได้ตกแต่งเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ความเจริญเข้ามีถนนไปไหนก็มีถนนสะดวกมีรถเมื่อก่อนก็ไม่มีรถอ่ะสุกโตก็สมัยสิบกว่าปีก่อนเปลี่ยนแปลงมากตอนนั้นหลวงพ่ออาจจะมีชื่อเสียงแต่ก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่อาจารย์พิสารก็ ก, ก็ก็มีชื่อเสียงแต่ว่าก็ดังส่วนตัววัดไม่ดัง วัดไม่มีใครรู้จักหรอวัดป่าสุกโ ต, โตนะ้ละคนก็รู้จักอาจารยเป็นสารหลวงพ่อมเขียนก็รู้ใยแวดวงของนักปฏิบัติถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้หลวงพ่อมเขียนคือใครวัดป่าสุกโต้มาเริ่มดังในยุคที่อาจารย์คพลเปิดตัวเพรช่วนั้นอาจารย์พลเนี่ยเห็นรูปนามเห็นธรรมไงพอเปิดตัวปุ๊บเนี่ยเขไปออกสื่อออกโทรทัศน์แล้วอาจารย์พลก็บอกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขียนตอนนี้ก็ดึงหลวงพ่อเขียนดังด้วยคนก็เริ่มมาวัดป่าสุกโต้กันเริ่มสร้างกำแพงล้อมรอบวัด กระแผงยาวาณห้ากิโลสาดน้ําเมื่อก่อนตื้นตอนหลังก็ขุดลึกขึ้นผ้าต่างๆก็มาอยู่กันมากขึ้นโตก็มีการเปลี่ยนแปลงในวัดนี้ก็มีอาจารย์ทงศีลนะอยู่ก่อนแต่เมื่อก่อนอามาบวชก่อนอาจารย์ทงศีลนะอาจารย์อาตมาอยู่วัดอาจารย์ศีลเป็นโยมอยู่เลยแล้วก็ผัดกันเป็นพันเตเพราะมนมาศึกอาจารย์ทงศีลก็จะภาษามากกว่าอามาตอนนี้แล้วก็มาอาจารย์โน้ตอาจารย์ตุ้มแต่ละคนก็นําความเจริญมาสู่วัด ตอนหลังอาจารย์วัดช้มาปีประมาณปีสี่นั้งก็สร้างความเปแบบแลี่ยนแปลงเข้าวัดเยอะวัดท่านก็สร้างรูสร้างนี่เอาเงินช่วยเหลือก็ทำใหวัดเนี่ยจเจริญขึ้นน่ยมีวัตถุสิ่งต่างๆที่สะดวกขึ้นก็ช่วยได้เยอะแต่ละคนอันมนดีไม่ค่อยได้ช่วยอะไรหรอกเพราะอันมาไม่มีกําลังพระแบบฝาด ไ, ไม้อันมาเริ่มมีบทบาทก็เมื่อปี5้าสห้าหนี่แหละคือเริ่มมาทํา Facebook เริ่มเผยแพร่ เริ่มสร้างชื่อเสียงวัดป่าสุก โ, โตลงทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเริ่มมาทํางานชัดเจนตรงนี้แล้วก็แบ่งหน้าที่กันช่วยเหลือกันที่วัดเราก็แบ่งงานการทํามีหลายแผนกก็ทำให้วัดเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นคนรู้จักวัดป่าสุกโตมากขึ้นช่วงหลังมาจะเล่าเรื่องหลวงพ่อเขียนให้ฟังสมัยก่อนหลวงพ่อเขียนเนี่ยสมัยที่ท่านอยู่กับหลวงพ่อเทียนใหม่ๆนะที่จังหวัดเลยหลวงพ่อเนี่ยท่านมั่นใจในทำในตัวเองมากเลยไปอยู่กุฏิที่ไกลๆ ก, กับเพื่อนน่นแหละ คือมั่นใจในธรรมะของตัวเองแล้วก็มั่นใจวอาตัวเองไม่กลัวแต่หลวงพ่อก็กลัวผีนะไม่ใช่หลวงพ่อไม่กลัวแต่ความกล้าขึ้นกล้าขึ้นกลัวมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนร้ายถูกคนฆ่าตายแล้วเขาก็นําศพมาฝังแล้แต่ศพคนร้ายเนี่ยกว่าจะได้ฝังตํารวจมาพิสูจน์ก็ใช้เวลานานจนศพเน่าหมดแล้วหลวงพ่อก็ไปยืนดูแต่พอเพลินกุตติหลวงพ่อเนี่ย มันไม่มีหลังคาไม่มีที่กั้นอะไรมันก็เป็นเพิงธรรมดาธ ร, รมๆเนี่ยหลวงพ่อเห็นลงศพเนี่ยเป็นไม้ตะแบกอย่างดีก็เลยไปขอเขาคือหลังจากเอาศพเอาศพลงหลุมแล้วนะหลวงพ่อก็นําฝาโลงเนี่ยมาล้างเอาแปรงทองเหลืองมาขัดขัดเอย่างไงก็เหม็นเหม็นติดจมูกอะหลวงพ่อตากเป็นตากแดดเป็นเดือนเลยหลังจากนั้นก็นํามานอนเวลาฝนตก อากาศชื้นเนี่ยมันก็เหม็นมีอยู่คืนเนื้อหลวงพ่อนอนฝาโลนั่นแหละที่เหม็นๆนั่นแหละนอนไปพอกินเหม็นขึ้นมาหลวงพ่อคิดถึงศพทุกครั้งเลยที่นอนนึกถึงหน้าศพที่หลวงพ่อเห็นนั่นแหละพราะหลวงพ่อมาดูตอนตอนตอ น, ตอนจะฝังเนี่ยมันติดตาติดใจอยู่หลวงพ่อเคลิ้มหลับไปสักพักเนื้อเกิดนิมิตศพก็กิ้งมาทับหลวงพ่อ แต่ตอนนี้หลวงพ่อเคยเป็นหมอเป็นหมอบ้านมาก่อนเคยมีเวทมนต์ไม่รู้ว่าเวทมนต์มาจากไหนหลวงพ่อก็สวดมนต์คาถาสู้ผีศพวิกิ้งออกไปพอหลวงพ่อหยุดสุดหยุดสวดนะศพวิกิ้งมาหาหลวงพ่ออีกหลวงพ่อสวดต่อศพวิกิ้งออกไปสู้กันอยู่นะจนหลวงพ่อเหนื่อยหลวงพ่อตื่นขึ้นมาหลวงพ่อก็เลยมาเคลื่อนมืออวพอเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่ตอนนั้นฝ่ากลัวหายหายไปเลยหลวงพ่อบอกความกลัวหายจากใจหลวงพ่อตด้วันนั้นหลวงพ่อก็ไม่กลัวอะไรอีกเลย บางครั้งฝามกลัวก็ช่วยได้ทำให้เราหายกลัวอย่างสมัยก่อนอนะันมาอยู่สวนโมกกันมาคนขี้กลัวนะกลัวผีกลัวงูกลัวทุกอย่างแหละกลัวการแสดงออกมีอยู่ครั้งหนึ่งคืนวันเพน็ญพระจันทเต็มดวงอันมาก็อยากทดสอบความกลัวตัวเองเลยขึ้นเขาดังเอคนเดียวนะขึ้นตอนเย็นเขาดังเอสมัยก่อนนะก็น่ากลัวนะเพราะเป็นโดงเป็นอะไรไปไม่รู้จะเจองูใหญ่หรือเปล่าแถมข้างบนก็เป็นเพิงแบบ อะไรคล้ายๆเป็นกระต๊อบอะไรเนงะีหลังมีที่นั่งหน่อยนึงแล้วก็เป็นแบบจะพังๆ พ, พังแหล่ไม่พังแหล่ถ้าเจอฝนก็ถล่มก็เรียบร้อยอะ่ตอะตากฝนะแล้วก็ไม่สามารถบางสัตว์อะไรได้เลยเพอมองไปก็ถึงตัวหมดแล้วมันก็ทดสอบนะมันขึ้นกล้าขึ้นกลัวมันกู้ษาขึ้นไปนะคือตอนนั้นเนี่ยความกล้ามากกว่าความกลัวมันยอมพออยู่คนเดียวบนเขาอะ่ะมองไปก็เห็นทะเลพระจันทร์เต็มดวง เวลาเสียงอนะ ต, ตุบตตุบบอันมานั่งอยู่อ่ะก็ก็นั่งสมาธิทีแล้วก็สวดชีพนชร์สวดคาถาแหลกลานเลยวันนั้นคืนนั้นคืนไม่ได้นอนหรอกดูความกลวงตัวเองแต่ก็ไม่มีอะไรก็รอถึงเช้าแล้วก็ลงจากเขาวิธีนี้ก็มีพ้าใหม่ที่วัดป่าสุกโตบางคนก็ลองใช้ไมื่กันเรากลัวผีแล้วก็วววอยู่ป่าช้าแหละอยู่ใกล้ๆสิงนั้นก็ช่วยได้อยู่ค้างนึงหลวงพ่อท่านไป กินนิมนต์เสร็จแล้วท่านก็มีควาสุขอยากอยู่ถ้ำคนเดียวตอนนั้นท่านอาหารมากเพราะถ้ามีอยู่ถ้ำหนึงเนี่ยมีคนลือว่าผีดุเจ้าที่เจ้าทางแรงหลวงพ่อก็เลยไปอยู่อะ่ะชาวบ้านก็เตือนไว้อย่าไปนะอย่าไปที่นั่นเจ้าที่แรงที่นั่นก็ไม่มีอาหารหลวงพ่อก็เตรียมกล้วยอะ่ะชาวบ้านก็ถวายกล้วยหลวงก็หลวงพ่อก็นํากล้วยไปเป็นสบียงอะ่ะน้ํำกับกล้วยไปอยู่ในถ้ํเพราะตอนคืนเนี่ยจะมีเสียงเหมือนมโหรีเลย เหมือนเหมือนโมโหรีติบะแรงหลวงพ่อสังเกตเอ๊ะเสียงมาจากไหนแปลมาเนี่ยเป็นพวกคขังค่าวคขังค่าวไปออกจากถ้าเวลาบินเนี่ยกระพือปีกน่ยเสียงก็เหมือนกับมโหลีแล้วคืนนั้นหลวงพ่อก็ได้ยินเสียงตุ้มตุมตุ ม, ต ม, ต ม, ต ม, ตมเหมือนคนมาตีกองที่ถ้าอะ่ะหลวงพ่อสังเกตดูเอ๊ะเสียงอะไรมอเห็นตะคุ่มตนะคุ่มงูตัวเบลเลอเลยกําลังกําลังจะกินทั้งค่าว น่าจะเป็นงูเหลือมมันงูใหญ่แต่ตอนนั้นหลวงพ่อไม่กลัวแหละหลวงพ่อไม่มีวุฒอะไรเลยหลวงพ่อก็อยู่กับงูเหลือมทั้งคืนแหละแต่ให้งูเหลือมมากินหลวงพ่อหลวงพ่อก็ยอมตายนะหลวงพ่อเล่ามาฟังตอนนั้นเรื่องนี้หลวงพ่อไม่ค่อยเล่าเท่าไหร่ช่วงนั้นอารามาปฏิบัติธรรมแล้วแล้วกลัวนู่นกลัวนี่เลยไปคุยกับหลวงพ่อไงหลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องผมเรื่องของอามาเด็กๆมากแล้วที่หลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเจออะไรเยอะแยะหมดพอดีมุ่งมิต คนมาสุกโตใหม่ๆเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยบางครั้งเจอหนูหนูมันวิ่งกลางคืนเนี่ยหนูมันกินอาหารเนี่ยบางคนก็คิ ด, ดว่าผีหรือเจอสัตว์อะไรแปลกๆอะ่ะเสียงเสียงเหยียบใบไม้อะไรพวกเนี้ยจิตมันปรุงแต่งกลัวไหมดแหละมีคนเมื่อก่อนที่นี่ที่นี่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะบางครั้งงูขึ้นไปอยู่บนกุฏิก็มีคามกลัวแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยหายกลัวได้คือตอนนั้นแต่มาเนี่ยเก็บอารมณ์มาเกือบเดือนแล้ว ประมาณ20กว่าวันยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าพรรษาเลยอาณาจัชุด น, นบวชบวชเอาจริงเอาจังมากไม่ได้เป็นแบบตอนนี้ใหรอกชุดนั้นก็อยากมารู้ทามนแหละเก็บปรบลมหลบหลีกผู้คนก็ได้ยินเสียงหลอดทุกวันแหละเสียงจิตเป็นปรุงแต่งเนี่ยเสียงกระหึ่มหัวหมดแหละบัคค่าก็เป็นเสียงบรเลงเสียงอะไรคือจิตเนี่ยมันสร้างกลิ่นสร้างเสียงได้หมดนะบางคนไม่รู้คิดว่าผีหลอกก็มีเสียงพัดลมหมุนก็เป็นเสียงแหละบัคค่าเป็นเสียงสวดมนต์ ฝนตกก็เป็นเสียงก็คือไปหมดจิตมันหลอนก็ไม่แปลกเลยที่คนติดยาบ้าหรือหรือป บ, บ, บ้าบอเนี่ยจะบางครั้งไปเจอนี้มิตรลายจะหนีบางทีเห็นคนตามฆ่าหรืออะไรก็มีเพราะจิตมันทําได้หมดแหละบางครั้งนึกถึงศพแล้วกลิ่นยังเหม็นออกมาเลยนะบางช่วงก็เปิดกระปุกแต่งกลิ่นแบบหอมไปหมดมันจิตของเราจะสร้างเสียงสร้างภาพสร้างกลิ่นได้หมดไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อยา่างใดแต่ละคนไม่ปฏิบัติธรรมจะแปลก ถือเป็นเรื่องใหญ่ประโคนได้เห็นหวยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีวิเศษก็มีที่จริงเป็นเรื่องธรรมดามากเลยสารันักปฏิบัติหลวงพ่อก็เดี่ให้กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวอันมาไปดักเจอหลวงพ่อธรรมดามาหลบหลวงพ่ออยู่ช่วงนั้นเพราะว่าช่วงที่มันเกิดอยากถามธรรมะนูน่นธรธรมะนี่เนี่ยมันก็ไปดักรอหลวงพ่ออยู่เมื่อก่อนหลวงพ่อเขียอยู่กุฎหลวงตากรมนี่นแหละหลวงพ่อมีหลายกุฎเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่กุฎเบอร์หกกุฎตรงหน้าสารกไก่แล้วก็ย้าย กุญเรกระจกที่ป่าไผ่แล้วก็ย้ายบรุตากรมตอนหลังก็ย้ายมาอยู่ตรงนู้นตรงตรงที่กุญแจจา์ตุ้มมาตอนหลังหลวงพ่อก็ไปนอนเต็นที่เนี่ยหินโคง้งบางครั้งครูบาจาเล่าประวัติเนี่ยก็ทําให้เราเกิดกําลังใจเห็นความยากลําบากที่ท่านฝ่าฟาันมาแต่บางทีพวกผ้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ย อาจจะท้อใจได้ไปฏิบัติธรรมไปอยากบรรู้ธรรมแล้วมันก็ไม่บรรลุหรืออยากอยู่คนเดียวหนีโลกอันนี้ก็ไม่ใช่คือขัดแย้งทางจิตใจเราเราทำไมจริงๆแล้วเราอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับโลกก็ได้อยู่กับเพื่อนก็ได้ไม่ขัดแย้งหมดอะเมื่อก่อนอามาหลบคนนะไปอยู่บนเขาเนี่ยพรรษาสองเนี่ยไม่อยากเจอใครบดเลยเอาวุเจอใครเจอมาอามาเขหลบหลีกใช้วิชาหลบหลีกไม่พูดด้วยใจใครเกือบทั้งพรรษามาตอนหลังเราก็รู้ ว, ว่าวิธีนี้ไม่ใช่ เราสามารถอยู่คนเดียวก็ได้อยู่คนอื่นก็ได้พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้บางคนบางครั้งคนมาทั ก, ทกเราหนึ่งคาเนี่ยเราตอบไปก็จบแล้วแต่ถ้าเราไม่ทักไม่ตอบเนี่ยเราติดอารมณ์ต่อไปเลยนะคนนี้ก็ต้องอาศัยศประสบการณ์บางทีเราคุยกับเขาเนี่ยเราก็ปลดปล่อยและหนึ่งคำแต่บางคนที่แข่งก็ไม่พูดอะใครถามก็ยิงไม่ตอบหรืออยากบรรลุธรรมแต่ไม่บรรลุหรอกพวกคเนี้ส่วนมากมีแต่สร้างมาผัดแย้งให้จิตใจตัวเองแบบเห่าบ้าอะไรก็มี มาอยู่วันนี้ยเห็นคนบ้าหลายคนแล้วพระบ้าโยมบ้าจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็บอกเขาไม่ได้ด้วยเพราะบางคนก็มีกรรมไปของตัวเองเมื่ออาตมาอยู่ใหม่ก็มีเจ้าจ่อยพวกโยาอาจจะมาไม่ทันแล้วก็บุญหลายอันเนี้ยบ้าขอตังพระแล้วก็ก็มีพระบ้าก็มีทิดหนุ่มหนุ่มรูปไม่ชี้เฮียงนะไม่มีสามัญสานรูปบางทีก็อยู่ๆก็เดินร้องเพลงอะไรเงี้ย ทำอะไรบ้าๆบอไปพาตอนหลังบางทีแกพูดคนเดียวมาตอนหลังก็แหกภาษาไปภาษาแปะก็สึกไปตอนหลังวิถีชีวิตก็เปลี่ยนอะกลายเป็นคนเล่ร่อนเพเนเดจรน้ําเนื้อไม่อาบคือก็เหมือนขอทานทั่วไปคล้ายๆขอทานแหะแต่ไม่ใช่แกไม่ได้คนขอแต่ว่าปวิธกรรมมันบีบอะให้คนที่เคยบวชเนี่ยเสียทุเสียผู้เสียคนบางคนไป็ขี้เมาหัวละน้ําก็มีอย่างพาร์ที่นี่อะ สึกออกไปแล้วมเมาหัวแล้วน้ําก็มีหลายคนนะแล้วกลับมาบวชใหม่ฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยคนที่เเข่งคนที่อยากบรรลุธรรมบางครั้งกลายเป็นคนบ้ากลายเป็นคนไม่มีอนาคตก็มีคนที่บ้ า, บ, าบอไม่เเข่งไม่สํารวมกลับบวชได้นานก็มีฉะันโลกนี้เอาแน่นอนอะไรไม่ได้คนที่กลัวอาจจะเป็นคนกล้าก็ได้ไอ้คนที่คนกล้าก็อาจจะเป็นคนกลัว ก็อันมาไม่ชอบธรรมญาตานะอันมาจ ะ, จะหนีไม่ได้คิดอยู่วัด น, นี้หรอกเพราะอันมาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าไม่กล้าแสดงออกก็แอบไปอยู่กับหลวงวิชตัตอะหลวงวิชัดชาย ท, ท, ที่ตกหลังคาสมัยก่อนท่านเป็นเจ้าสํานักดูแลบุญที่ทหลวงวัดเทียนอันมาก็ไปอยู่กับท่านแหละเพราะสํานักนี้เป็นสํานักปิดไงไม่มีทำวัดเช้าไม่มีทำวัดเย็นมีแต่บิธบาร์ดแล้วก็ช่วยกันพัฒนาบุญทิธิเก็บฝาดถูตัดหญ้าช่วยกัน ทำคว า, ส, ส, าสะอาดเป็นส่วนใหญ่แจกหนังสือหลวงพ่อเทียนแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่งั้นแหละเมื่อปีสี่เก้าไปอยู่อย่างงั้นที่พระบาสุก โ, โตนะพอพอช่วงบวชเนนอะไรมาก็จะหนีแล้วช่วงบวชเนนสงการเดินธรรมญาตามาก็หนีแต่ประมาณหนีความจริงไม่พ้นเราสู้เผเชิญดีกว่าอัตมาเริ่มมาเดินธรรมญาติเนี่ยก็ปีห้าศูนย์เป็นครั้งแรกครั้งนั้นรู้สึกว่าเป็นครั้งที่แปดแล้วเอ้เราไปเดินก็ดีดนะฝากที่เราเปลี่ยนเลยวิ ธ, วธีวิธีคิดเน่ย จากหนีนยารมณ์กลายเป็นเผชิญอารมณ์ได้ดูความความลําบากในขณะที่เดินเนี่ยบางทีตากแดดกลางคืนเรากางเต็นตนน์ตอนเช้าเราต้องรีบเปลี่ยนละคือต้องรีบเก็บอะแล้วเราไม่รู้เลยว่าไปเจอข้างหน้าเราจะไปนอนเราจะไปนอนแบบไหนบาที่ห้องน้ําก็น้อยต้องหาวิธีช่วยตัวเองส้วไม่พอเนี่ยบางทีก็เรามองป่าสําหรับไทยอุจจาระอะไรเงี้ยต้องวางแผนตลอดเลยจะใช้ชีวิตยังไง เหตุการณ์เฉพาะหน้าก็ลองลองเดินดูก็มีประโยชน์อันมาก็ลองเดินมาหลายปีนะตอนหลังเนี่ยนอกจากไม่ได้เดินอล้วมันมเป็นกองหน้าด้วยมาถ่ายรูปถ่ายรูปธรรมยาตาซึ่งมาดูย้อนหลังแล้วเนี่ยเราก็งงเราทําไปได้ยังไงจากคนขี้กลัวมาทํางานด้านนี้ช่วงหลังพัรเตี้อัมาก็จะก็เลิกเริ่มวางมือกันอย่างอาจารย์คงศิลป์เมื่อก่อนเคยสวดมนต์ตอนหลังท่านก็วางมือไม่สวดหลวงว่าจา่ เมื่อก่อนท่านก็อยู่วัดนี้ท่านก็จะผูกขาดเรื่องไม่เดี๋ยวนี้ท่านก็ท่านก็ไปอยู่วัดอื่นแล้วก็ศึกไปแล้วแล้วก็บวชใหม่ก็มีหล า, ายคนสมัยเมื่อก่อนอาจารย์ยุกิแต่ท่านจะเป็นคนนําส่วนมนนะสมัยที่อาจารย์องศิษย์ยังไม่มาเนะี่ยพอตอนหลังท่านก็วางมือไปพอตอนนี้ก็มีอาจารยาว์วราชัยอ่ะที่คลองใหม่มากที่สุดเมื่อเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแต่มันเหตุยุ่อย่างคือความไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแหละ ไม่มีใครแสดงอะไรได้นานเดี๋ยวเหตุการณ์ก็ไม่ล้มหายตายจากก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไปสุดแล้วอ่อนแน่น อ, อนเลยไม่นานเมื่อก่อนเอามาบวดใหไม้เนี่ยเอาก็อยู่บัวแถวหนึ่งนะมาตอนหลังที่นั่งขยับไม่เรื่อยๆขยับบางคนสึกไปตายไปก็มีสึกไปก็เยอะเพราะถึงภาพบรรษัทเยอะๆเนี่ยบางคนก็สึกไปมีครอบครัวก็หลายคนละครูบาจารย์ผู้เท่าก็เริ่มจากจากไปตามวัย อย่างหลวงพ่อม่ขียนหลวงพ่อจรานหลวงพ่อระลงหลวงพ่อมหาบัวทองหลวงพ่อสงครามหลวงพ่อทองแล้วก็อีกหลายท่านก็กําลังจะจากไปท่านเกษรศาสตร์ จ, จะทำให้เราเห็นว่าชีวิตเนี่ยไม่เที่ยงครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นที่พึ่งเราไม่ได้ตลอดหรอกเราต้องพึ่งตัวเองวัดไหน ท, ที่เน้นพึ่งครูบาอาจารย์มากวันนั้นไปไม่รอดหรอกบางทีครูบาอาจารย์ตายแล้วไม่ยอมเผา ยังเอาซากของท่านไว้หากินโดยเราไม่สร้างบุคลากรพัด น, นั้นก็จบฮนะเพราะวัดนั้นจะไม่มีอะไรเลยมีแต่มีแต่วัมีแต่สวดมนต์กับคว์มขังความศักดิ์สิทธิ์เพราะบารมีลูกศิษย์เนี่ยกับครูบาอาจารย์ห่างกันมากถ้าลูกศิษย์เน้นพึ่ง อ, อาจารย์คนเดียวนะมัไปไม่รอดหรอกฮะอัตมาเห็นมาหลายวัดแล้ววัดก็เละเทะแต่ถ้าเกิดวัดเราเนี่ยไม่เน้นพึ่งครูบาอาจารย์พอครูบาอาจารย์ละสังขารไปเราสร้างบุคลาก ร, ากรฝึกภาวนาะ พระก็ขวนขวายหาความรู้เทศให้โยมฟังได้โดยไม่ขาดแคลนนักเทศอย่างเงี้ยโยมก็มาวัดเรื่อยๆวัดก็ดำรงต่อไปได้อีกอย่างวัดป่าสุกโตโชคดีนะที่บุคลากรเนี่ยเก่งๆมาอยู่ด้วยกันหลายอาชีพที่วัดอื่นไม่มีนะนะวัดอื่นนี่บางทีก็มีหลวงตาเฝ้าวัดหรือไม่ก็พระแบบไม่มีความสามารถอะไรมาอยู่เนี่ยเวลาทาอะไรก็ติดิขัดได้หมดอ่ะแต่วัดป่าสุกโตเนี่ย แม่ชีกับพ้านเนี่ยจะเก่งทํางานอะไรก็ราบลื่นแป๊บเดียวก็เสร็จงานใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็หมดปัญหาเลยเพราะว่าคนเลียงเก่งมาอยู่รวมกันแต่บางครั้งเราก็ต้องไม่อิจฉาซึ่งกันและกันไม่แก่งแย่งเพราะถ้าเกิดเราอยากเด่นอยากดีอยากได้ชื่อเสียงหรือแกลงแย่งชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยบัดนั้นไปไมอรอดห อ, อกเดี๋ยวพักอัตละกันเองขัดแยง้งขัดผลประโยชน์กัน อย่าตัวเรามาเนี่ยเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่แย่งอำนาจกับใครแล้วก็ไม่ขัดผลประโยชน์กับใครอย่างวัดนี้แล้วก็อาจารย์วิระชายัยพระผู้ใหญ่เรามาก็ให้ท่านรนักษาการเพราะอาจารย์เบญสานไม่ค่อยอยู่อยู่แล้วเราก็เราก็ช่วยงานท่านท่าที่เราทาได้อะหน้าที่รามาก็เยอะทุกวันนี้แต่ถ้าอาจารย์วิรชัยไม่อยู่เนี่ยอัามาก็ลําบากเพราะว่างานของท่านวิ่งหารามาหมดเลยซึ่งมาค้างอยู่ด้วยกันกับช่วยกันมากกว่าแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึงไม่อยู่เนี่ยอีกฝ่ายนึงก็แบกรับหนัก เพราะนอกนั้นแห่ไปอาป่วาวไปเจอผ้าใหม่ยังใช้งานไม่ได้ช่วงนี้ฟ้าเก่าหายหมดเลยอย่างถ้าเกิดมีกิจนบนสวดศกขึ้นมาชาวบ้านตายฉับพลันอย่างเงี้ยหรือมีงานรูนเนี่ยรมานึกไม่ออกเราจะไปสวด ย, ยังไงในตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นช่วงที่มีบุคลากรคนอยู่ครบอยู่มากเนี่ยแล้วมีความสามารถเนี่ยกลับไปผลดีคือเราแบ่งงานกันทําทํำไปวัด เ, เดินไปได้ราบลื่นเพราะอํานาจเนี่ยบางคนก็แย่งนะอยากอยากไปเจ้าวาดอยากครอบครองผลประโยชน์เคยเห็นนะ ที่วัดใหญ่ๆเนี่ยมีพระเนี่ยอยากไปเจ้าวาดนะพยายามสร้างฐานอานาจโดยโดยการเลี้ยงพระประชุมพระเพระพีะวัดอื่นเนี่ยมันจะมีหลายก๊กไงคือว่าสะสมพายมากที่สุดอะ่ะเพื่อจะได้มีอํานาจต่อรองเวลาหวทเสียงมีเสียงข้างมากเลยวัดโดยยอมลงทุนแต่ไปอามาคนที่ถามก็ตายบาที่สู้กรรมไม่ไหวบางคนไปเจ้าวาดขนาดเป็นปท .9 เนี่ยเป็นไม่นานก็ตายเพราะเรื่องพวกนี้ มันอยู่ที่บุญวาสนาเหมือนกันคนบางคนเนี่ยไปบองเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยก็นำความทุกมาให้แหละเราต้องพึ่งพาตัวเองเปบิ๊กกับตัวเองชีวิตนักบวชเนี่ยเราเบลหวังราชสักการะหวังชื่อเสียงหวางอำนาจไปได้เลยเป้าหมายก็คือเราต้องทุกข์ให้น้อยลงให่สุดอะเราต้องทําตัวให้ไม่ทุกข์อันนี้สําคัญแต่ถ้าเราหวังชื่อเสียงราชสักการะหวังอำนาจเนี่ยเราก็เดินทางผิดแล้วก็มีหลายคนที่เป็นอย่างนั้น เพราะว่าพวกวัดวัดบ้านเนี่ยบางทีก็หวังยศหวังตำแหน่งหวังพระเจ้าคุณหวังเนพระครูบางครั้งใช้เงินซื้อตำแหน่งก็มีใช้เส้นใช้สายอันนี้ก็นเดินนอกทางของพระพุทธเจ้าคือออกไปคนละทางอย่างวัดป่าสุกโตเป็นวัดที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติมีการทําวัดสวดมนต์มีการปฏิบัติภาวนาพวกญาติโยมที่มาอยู่วัดก็มาถูกทางแล้วอยู่ถูกวัดถ้ามาอยู่ผิดวัด บางทีก็ถูกสอนให้งมงายไปก็มีคือวัดไหนที่ไม่สอนเรื่องการดับทุกการพ้นทุกอะวัด น, นั้นคำสอนก็ไม่ใช่แล้วทัท่วไปบางทีไปสอนเรื่องเทวดาพึ่งศีลศักดิ์สิทธิก็เยอะหรือพึ่งครูบาอาจารย์เกจิอันนี้ก็ออกลอกทางเพราะตัวคนปลูกเสก ข, ของบางทียังตายเลยเราไปพึ่งอะไรไม่ได้หรอกทุกคนตายหมดแล้วเราหนีความจริงไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายความไม่เที่ยงการพัดภาคจากของรักของชอบใจ อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนดังนั้นเราทุกคนก็ต้องอยู่ใต้โลกธรรมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ทุกน้อยที่สุดก็ต้องมาฝึกฝนตนเองมาเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวให้มากหรือไม่ก็อ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะเรียนธรรมะก็ได้อะไรก็ได้เพื่อให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นอันมาพูดมาก็สมควรกับเวลาวันนี้ก็พูดสับเหรละคล้ายๆไม่จะเทศหรอกเป็นเล่ า, เ ล, าเล่าเสือมากกว่าเล่าเรื่องรู้เรื่องนี้ ให้ญาโยมฟังให้เกิดกำลังใจบางครั้งเนี่ยเรากลัวเนี่ยเราเรากลัวเรารเผชิญกับมันดีกว่ากลัวสิ่งใดก็เผชิญสิ่งนั้นแล้วก็หายกลัวตัวผู้พูดเองเนี่ยก็ไม่นึกว่าจะม า, มาถือไม้ผู้กระโยมนะที่โคชีกลัวอยา่างเรามาเนี่ยมันไม่กล้าหรอกสมัยก่อนเนี่ยประเทศเอาภาษาสิบนำไหวพาส่ว น, นบนภาษาห้าภาษาหกมั้งช่วงหลังชีวิตกวนเวียงกับเรื่องพวกนี้ตลอดเพราะพระที่ภาษามากกว่าศึกกระโดดแล้วเหลือน้อยเต็มทีก็ต้องทำหน้าที่นี้ สุดท้ายนี้ขออา้ญาติโยมมีความสุขความเจริญธรรมยิ่งไปคิดปัญหาสิ่งใดที่ถูกต้องก็ขอใโสมปัญนาเอาวังก็มีด้วยประกาศนี้